ทีนี้ย้อนกลับมาหาเชื่อมต่อในนันทดาบทต่ออีกนิดหนึ่งว่าก็นันทดาบทนั้นเสวยที่ผสมบัติ ด, ด้วยการเกิดสลับกันเนี่ยนะในดาวดึงพิภพจุติจากดาวดึงพิภพนั้นแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิและก็พระเจ้าประเทศราชในมนุษย์โลกนับได้พันครั้งเสวยมนุษสมบัติอันโอรานต่อมาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เกิดเป็นน้องชายของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะ เขาเรียกชื่อพี่ชายเขาว่าอุบาสกผู้มีศรัท ธ, ธาเหมือนันนะเขาเรียกพี่ชายเขานะว่าอุบาสกผู้มีศรัทธาเหมือนกันทีนี้ในเรือนของอสุมณะเศรษฐีในกรุงสาวัตถีได้นามสุภูตินะพ่อของอนาถนี่ชื่อว่าสมนาณะนะสมาณะเศรษฐีเนี่ยนะมีลูกคืออนาถมีลูกคือท่านสุภูตินี่นะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกประกาศธรรมจักเสด็จไปยังกรุงราชครึกโดยลําดับ ทรงกระทําการอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยการรับมอบพระวิหารเวลวันเป็นต้นในกรุงราชครึกนั้นน่ะอาศัยกรุงราชครึกประทับอยู่ในป่าสีตะวั น, น, นครั้งนั้นท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีถือเอาเครื่องมือของผู้มันขยันในพระนครสาวัตถีสร้างเรือนของเศรษฐีชาวเมืองราชครึกก็ปกติแล้วอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นคู่เขยกันเอ่อเป็นอะไร ฝ่ายน no ี้เอาน้องสาวเศรษฐีฝ่ายนู้นเศรษฐีฝ่ายนู้นเอาน้องสาวเศรษฐีฝ่ายนี้เนี่ยนะกับราชเครหะเศรษฐีมันก็จะค้าขายระหว่างราชเครือกสาววถีเนี่ยประจำเขาจะไปค้างที่ราชครกเนี่ยประจําันเขาก็จะเป็นพ่อค้านะก็ขนรัพย์ไปค้าทางเมืองโน้นซื้อสินค้าเมืองโน้นมาขายเมืองนี่อยู่อย่างเงี้ยทีวันหนึ่งก็ไปที่เมืองราชครือเนี่ยวันนั้นอราชครหะเศรษฐีเนี่ยเขา ตรเตรียมอาหารเนี่ยเพื่อจะทําพุทธบูชาเนี่ยนะเป็นอย่างดีเลยอะ่ะปกติแล้วอนาถาบิณฑิกานี่เมื่อไปถึงบ้านของราชชกหาเศรษฐีราชชกหาเศรษฐีจะต้องต้อนรับนั่งสนทนาพูดคุยกันอย่างมากะนะครั้งนี้แม้ต้อนรับนิดเดียวเสร็จแล้วก็ไปสั่งคนงานตลอดอ่นะจงหุงอย่างนี้จงต้มอย่างนั้นทําอาหารอย่างนี้เลี้ยงพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เนี่ยนาถาก็เลยสงสัยว่าเขามีฉลองอะไรบงบบนั้นเชิญพระเจ้าพิมพิสารมาทานหรือ จัดเลี้ยงกองทัพหรือเปล่าหรือว่าทำเอาอาหะมงคลวิวาหะมงคลยังไงหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่หรอกบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกแล้วกาลังงานนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทําบุญพอได้ฟังคําว่าพุทธโธคณนาดนาถะเนี่ยประยิติมากเลยนะประยิติโอ้ท่านว่าพุทธโธหรือก็ว่าอย่างนี้สามครั้งเนี่ยนะก็อยากจะเข้าไปเฝ้าทันทีเลยแต่ตอนนั้นไม่ใช่กาละก็เลยคืนนั้นเนี่ยนาถก็รอเตรียมใจว่าจะพุ่งเนี่จะไปเข้าไปเฝ้านะ แกตื่นน่ะตื่นอยู่พอหลับเป็นสักงีบหนึ่งก็ตื่นมาสว่างแล้วเจริญพุทธานุสติ์นะไปแล้วมันสว่างหมดเลยอ่ะยักษ์ก็เปิดประตูให้นะไปถึงก็ไปเดินเตะศพก็เลยกลัวพอลืมพุทธานุสติก็เลยมืดตามเดิมมืดตามเดิมก็กลับไปใหม่ก็เที่ยวอยู่อย่างงี้สามครั้งนะก็จนใกล้จะรุ่งเช้าเนี่ยยักษ์ก็เตือนเนี่ยนะท่านก็ไปไปก็ถึงใกล้ไปเฝ้าพู้องค์ก็เรียกว่าจงมาเถิดสุทัตตะเนี่ยนะ เรเรียกชื่อด้วยเลยจะดีใจขนาดไหนนี <c> ่ <oughs> คือจริงๆอะ่ะคนทั่วๆไปจะไม่ค่อยรู้ชื่ อ, อนาถาบินทิกาเราว่าชื่ออะไรจริงๆก็ชื่อว่าสุทัตต์เนี่ยนะแปลว่าคนให้ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนื่องจากให้ทานกับคนอนาถามากก็เลยเรียกว่าก้อนข้าวของคนอนาถาเหมือนกันอนาถาบินทิกาก็คือก้อนข้าวของคนอนาถาหลังจากที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงอนุปพิกถ า, าแล้วก็ประกาศอริยสัจ อนาถบินธิกาเศรษฐีฟังก็บรุโสดาปฏิพลอันเข้าเฝ้าครั้งแรกก็บรุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทูลขอให้พระาศาสดาเนี่ยเสด็จมากรุงสาวัตถีอีกแล้วก็ได้สร้างวิหารโดยการบริจาคทรัพย์หนึ่งแสนเอาไว้ในที่ห่างกันเนี่ยหนึ่งโยต์ตลอดระยะทาง45โยต์นนะจากเมืองราชครึกไปสาวัตถีก็45โยต์นะก็บริจาคทรัพย์ไปโยละแสนโยละแสนเนี่ยนะ ก็45แสนใช่ไหม <c oughs> ถัดจากกรุงสาวัตถีนั้นก็ซื้อที่สวนของราชกุมารทรงพระนามว่าเชตะเนี่ยประมาณ8กรีดโดยมาตราวัดหลวงโดยการเอาทรัพเนี่ยไปปูราดเป็นโกดๆเนี่ยนะก็ซื้อที่หมดอ่โกดเนี่ยนะซื้อที่18โกดสร้างเสนาสนะคือที่พักทั้งหมดเนี่ยนะอีก18โกดแล้วก็ฉลองอีก18โกดเป็นที่โกดใช่ไ ก็แก่สร้างอะนะปีเดียวนี่ทําบุญหมดหนะ้าสิบสี่โกรธเลยคําว่าก้อนข้าวของคนยากคือคนยากทั้งหลายไปกินข้าวบ้านนี้หมดนะอนณาถาบินทิกะเศรษฐีคือเศรษฐีที่ให้ทานแก่คนคนยากอ่ ะ, อะนะก้อนข้าวของคนยากอ่ะไม่ใช่คนยากนะนะก็เรียกว่าเป็นเป็นผู้ให้ทานแก่คนยากคนร้ายอ่ ะ, อะนะ ทีนี้พอท่านสร้างวิหารอะไรเสร็จเนี่ยนะก็เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับพระวิหารสุภูติกุดุมพีนะคือคือเศรษฐีนี่แหละก็ไปกับพี่ชายพร้อมกับนาถฟังเทศนาก็มีศรัทธาออกบุดเลยนะน้องชายฟังธรรมมาออกบุดเลยท่านอุปสมบทแล้วก็ทํามาติการทั้งสองให้คล่องแคล่วนะมาติการทั้งสองก็คือพิคุพิคุณีมาติกาเนี่ย ให้อาจารย์บอกกรรมฐานบำเพ็ญสมะนะธรรมในป่าเจริญวิปัสนามีเมตตาชานเป็นบาตแล้วก็บรุเป็นผ้าละหันนะแล้ก็เจริญเมตตาก่อนใช่ไหมเจริญเมตาก่อนหลังกอกหลังจากเจริญเมตาก็กออกากากพิ จ, จเจริญวิปัสนาก็บรรลุเป็นผาา้าละหันนะแต่อดีตชาติของท่านเจริญพุทธานุสติใช่ไหมแต่ว่ามาชาตินี้ท่านก็เจริญเมตตาท่านเคยเป็นนักบวชอยู่ห้าร้อยชาติเนี่ยนะท่านก็ที่บวชอยู่ป่าก็คือบวชเจริญเมตตานะครับจึงชํานาญใน เมตตาก็เพราะเมื่อท่านแสดงธรรมเนี่ยย่อมไม่อ่ย่อมแสดงธรรมไม่เจาะจงตามทํานองที่ภา ษ, ษาสดาแสดงแล้วท่านจึงได้นามว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้อยู่โดยไม่มีค่าศึกเนี่ยนะคือแสดงอะ่ะก็ไม่ค่อยยกบุคคลอะ่ะแสดงแต่ธรรมอย่างเดียวกล่าวแต่ธรรมอย่างเดียวผิดเป็นอย่างนี้ถูกเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้แต่หลักการอ่ะนะไม่เอาใครมาเป็นนี้สักอย่างอ่ะนะไม่น้อมไปหาใครเลยอะ่ะ อ, อทุจริตมันเป็นอย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้แต่จะไม่บอกว่าใครทําทุจริตแล้วเป็นอย่างนี้นะจะไม่พูดกล่าวแต่ทําอย่างเดียวมันเรียกว่าอยู่แบบคนไม่มีค่าศึกกันนะศัตรูน้อยมากหลังนั้นแต่พูดแต่ทํำมาไนะก็เหมือนกับการเขียนหนังสือสมัยนี้เหมือนกันนะถ้าใครเขียนลักษณะเรียกว่าไม่วิจารณใครเลยไม่อะไรเลยพูดแต่เนื้อหาอย่างเดียวไม่วิจารกันพวกนี้ไม่มีศัตรูร น, น, นะนะก็คือเรียกว่าพวกมากกันนะอย่างเราอยู่แบบไม่มีค่าศึกนะ เมื่อท่านเที่ยวบินธบาติก็เข้าฌานแผ่เมตตาไปทุกๆบ้านออกจากฌานก็รับภิกษุด้วยคิดว่าโดยวิธีนี้ทายกทั้งหลายจักมีผลมากเนี่ยนะเจริญเมตตาคือเข้าฌานนะนะแล้วก็รับอาหารเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้เลิศกว่าทักษินายะบุคคลทั้งหลายโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระสุภูติเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีค่าศึกคือกิเลสเนี่ยนะไม่มีค่าศึก แล้วก็พระสุภูติเนี่ยเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกของเราผู้เป็นทักขินายกบุคคลพระมหาธีรานี้ตั้งแล้วอยู่ในอรหัตผลถึงที่สุดอันเป็นผลแห่งบารมีที่ตนได้บาเพ็ญแล้วเป็นผู้ปราดเปรื่องในโลกเที่ยวจาริกไปตามชนบทเพื่อบาเพ็ญประโยชน์แก่ชนหมู่มากถึงกรุงราชครึกแล้วโดยลำดับด้วยประการชนี ทีนี้พระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยสับการมาของพระเถระทั้งหลายก็เข้าไปหาไหว้แล้วก็ตรัสว่าท่านผู้เจริญ น, นี่มนท่านอยู่ในที่นี้แหละทรงพระดำริว่าเราจะสร้างที่อยู่ถวายดังนี้ก็ทรงหลีกไปแล้วก็ลืมเสียเนี่ยนะคิดว่าจะสร้างกุฏิถวายท่านนะนะพอไปแล้วก็ลืมสร้างพระเถระเมื่อไม่ได้เสนาสะนะก็ยังเวลาให้ผ่านไปในอัปโภกัดก็คืออยู่ในที่กลางแจ้งอะนะท่านก็อยู่ในที่กลางแจ้งตลอด ด้วยอนุภาพของพระเถระฝนไม่ตกเลยนะพระเถระอยู่กลางแจ้งฝนเลยไม่ตกมนุษย์ทั้งหลายถูกพาว่าฝนแรงบีบคั้นคุกคามจึงพากันไปร้องทุกข์ที่ประตูวังของพระราชาพระราชาใคร่ครวญดูว่าเพราะเหตุไรหนาแหลฝนจึงไม่ตกจึงทรงพระดําริว่าเรอยพระเถระจะอยู่กลางแจ้งฝนจึงไม่ตกจึงรับสั่งให้สร้างกุฏิเนี่ยนะมุงด้วยใบไม้ถวายพระเถระแล้วก็รับสั่งว่า ท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านอยู่ในบรรณกุฏินี่แหละวหว้แล้วก็เสด็จีกไปพระเระก็เข้าไปสู่คันทักุฏินั่งคัดสมาที่บนอาสนะที่ปูลาดไว้ด้วยยญาครั้งนั้นฝนหยาดเม็ดลงมาเล็กๆน้อยๆไม่ยังสายทานให้ชุ่มชื้นทั่วถึงนะนะฝนนี่แค่โปรยๆปรยละอองเฉยๆอางนั้นเพราะฉะนั้นลำดับนั้นพระเทระ ประสงค์จะบำบัดภัยอันเกิดแต่ฝนแรงแก่ชาวโลกจึงประกาศความไม่มีอันตรายที่เป็นวัตถุภายในและวัตถุภายนอกของตนอันนะคือคาถาที่ท่านพูดเนี่ยกล่าวถึงว่าไม่มีอันตรายข้างในกับข้างนอกอันนะใจของท่านก็ไม่มีอันตรายร่างกายของท่านก็ไม่มีอันตรายเนี่ยนะใจของท่านไม่มีอันตรายด้วยกิเลสอ่าที่อยู่ของท่านไม่ ร่างกายของท่านไม่เป็นอันตรายด้วยที่มุงที่บังเนี่ยนะที่กุติเนี่ยท่านจึงกล่าวกระถาว่ากระท่อมของเรามุงแล้วสะดวกสบายปราศจากลมดูก่อนฝนท่านจงตกลงมาตามสบายเถิดจิตของเราตั้งมั่นแล้วหลุดพ้นแล้วเรามีความเพียรเครื่องเผากิเลสอยู่ดูก่อนฝนท่านจงตกลงมาเถิดนะจิตตั้งมั่นหลุดพ้นมีความเพียร น, นะก็ จิตก็เน้นที่สมาธินะก็สมาธินั่นเองหลุดพ้นก็เน้นที่ปัญญาความเพียรก็วิริยะนั่นผลก็ถ้ากล่าวโดยอินทรีย์นะจิตตั้งมั่นก็หมายถึงสมาทินทรีย์ใช่ไหมหลุดพ้นก็เป็นปัญญินทรีย์ความเพียรก็วิริยินทรีย์ก็ยกอินทรีย์สามเป็นตัวอย่างก็อินทรีย์ที่เหลือก็บริบูรณ์ทั้งหมดนั่นแหละ ก็ที่บอกว่าคําว่าของเราเนี่ยนะของเราเนี่ยกุฏิของเราเนี่ ย, ยคำว่าของเราเนี่ยขยายยังไงขยายว่าขึ้นชื่อว่าสิ่งไรๆที่จะพึงยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่มีแก่พระขีนาสพทั้งหลายเพราะพระขีนาสพเหล่านั้นอันโลกกระทำทั้งหลายเข้าไปแปดเปื้อนไม่ได้ก็จริงแต่าามาทาไมพระอาจารย์จึงพูดคาว่าของเราอยู่นะ แต่โดยสมมุติของโลกแม้พระขีณาสพเหล่านั้นก็ยังมีเพียงการกล่าวเรียกกันและกันว่าว่าเราว่าของเราเนี่ยนะเป็นโวหารของชาวโลกะนะสมมุติถ้าอย่างพูดถึงเราเนี่ยนะเราแบบคนที่ทำปริญญาในขันห้ากับคนที่พูดว่าเราแบบไม่ได้ทำปริญญานี่ก็ก็แตกต่างกันใช่ไหก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคำว่าเราในที่นี้เนี่ย เป็นชื่อของของอุปาทานขันห้าที่ได้รับการทําปริญญาแล้วนั่นนะก็ท้องมารดาก็ดีกรัชกายก็ดีที่อาศัยก็ดีเรียกว่ากระท่อมคําว่ากระท่อมนี่มีหลายความหมายนะกระท่อมในพระไตรปิฎกนี่นนะกระท่อมนี่บางทีแปลว่าท้องมารดาก็มีหรือว่ากระท่อมแปลว่ากรัชกายก็มีคือร่างกายนี่นนะกระท่อมแปลว่าที่มุงที่บังด้วยหญ้าก็มี อย่างในพระไตรปิฎกคําว่ากระท่อมที่แปลว่าท้องของแม่เหมือนคําว่า Anyone? ท่านกล่าวมารดาว่าเป็นกระทอมท่านกล่าวภรรยาว่าเป็นรังท่านกล่าวบุตรว่าเป็นเครื่องสืบต่อกล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องผูกแก่เราเนี่ยนะก็คือแม่นั่นแหละคือกระทอมมานะแปลว่าท้องแม่นะยังอยู่กระท่อมมังนงั้นเถอะยังมีรังยังมีเครื่องสืบต่อแล้วก็ยังมีเครื่องผูกมั้น ส่วนการัชกายเนี่ยนะการัชกายเป็นที่ประชมแห่งอาการสามสิบสองมีผมเป็นต้นเรียกว่ากระท่อมก็เหมือนกับที่กล่าวว่าเราตีเตียงกระท่อมคือสรีระร่างเนี่ยอันสำเร็จด้วยกระดูกฉาบทา ด, ด้วยเนื้อร้อยรัดด้วยเส้นเอ็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดที่คนทั่วๆไปเข้าใจว่าเป็นของผู้อื่นและเป็นของตนนะาถานีอาจารย์เกศสอชอบนะในกัปปะเทระคาฐานนะ พะคำว่ากระท่อมอ น, นะติเตียนกระท่อมกระท่อมตัวนี้เป็นชื่อของร่างกายที่คือถ้าแยกแย่ไปมันก็เหมือนกระท่อมจริงๆไหมร่างกายของเราเนี่ยนะคนคนคนคนไปจริงๆนะไม่มีความต่างอะไรจากกระท่อมแต่กระท่อมมันไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าร่างกายยิ่งคนก็ไปยิ่งกลิ่นยิ่งไม่ค่อยดีแต่ในพระไตรปิฎกก็มีคําว่าที่มุงด้วยหญ้าเรียกว่ากระท่อมเหมือนกันอ น, นะอันนี้เรียกกระต๊อบจริงๆเลยะคือ แต่ดูก่อนน้องหญิงกระท่อมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากสปะฝนรั่วรสอะไรนะคือกุฏิของพระพุทธเจ้าฝนรั่วนะนี่กระท่อมอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะใช้ให้พระพิสุสงฆ์เนี่ยไปเรือไปรือบ้านโยมาไปรือบ้านพ่อแม่ของอะไร น, นะขติการะช่างหม้อนะใช้พระพิสุให้ไปรือไปถึงก็รือเลยนะก็ไปลังรือย่าอยู่ แม่ของคติการะช่างหม้อตาบอดก็บอกใครมาลืกระท่อมหญ้าบ้านเราก็บอกว่าเราทั้งหลายน้องหญิงบ ก, กุฏิของพระพุทธเจ้าเอฝนรั่วว่างั้นเพราะฉะนั้นก็พระองค์เนี่ยให้มาเอาบอกเออเอาไปเถอะว่างั้นก็บอกที่ตรงนั้นเนี่ยฝนไม่ตกตลอดกลับมาคือไม่ตกเปียกตรงนั้นตลอดกลับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพุทธเจ้าขึ้นไปฉันบนบ้านเลยอ่ะไปถึงก็ไปเปิดฝาหม้อฉันเองเลยนะ บอกว่าใครฉันบอกว่าเร า, าพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่บอกว่าตอนรื้อบ้านเนี่ยก็ปีติอยู่เจ็ดวันะปีติเนี่ยเจ็ดวันแล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้าไปเปิดเปิดฉันเข้าในบ้านเองนะนางก็ปีติอีกเจดวันเหมือนกันนะแต่แต่ค ต, ติกาละเนี่ยปีติอยู่ครึ่งเดือ น, อ น, น <S <S โอ้พระพุทธเจ้าไม่ผิดหรอกอของวินัยเนี่ยบัญญัติสําหรับพระพิสุไม่ได้บัญญัติสําหรับพระพุทธเจ้า ก็เหมือนอะไรเหมือนพระราชาก็บัญญัติว่าห้ามคนกินมะม่วงนะอันนี้คือไม่ได้บัญญัติไว้พระพเกองอนะบัญญัติให้พวกคนทั่วไป <c oughs> แมในคาถานี้ก็หมายถึงกระท่อมอะนะหมายถึงกระท่อมส่วนสุขขัพท์เนี่ยนะความสุขในพระไตรปิฎกก็มีหลายความหมายนะคำว่าสุขสุขเนี่ยเราไปเห็นว่าสุขเนี่ยแปลเป็นสุขเวทนาไปหมดไม่ได้สุข คำว่าสุขในพระไตรปิฎกเนี่ยมีความหมายว่าสุขเวทนาก็มีเหมือนคําว่าบุคคลละสุขละทุกข์สมนัตโทมณัตกรก่อนได้อันนี้หมายถึงใครที่จะเข้าจะตุทะชาเน่ยนะจะต้องละสุขทุกข์สมนัตโทมนัตสุขอันนั้นหมายถึงสุขเวทนาหรือคําว่าสุขเนี่ยนะแปลว่าเป็นมูลของความสุขก็ได้ว่าอย่างอย่างแปลงง่ายๆเลยบอกการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุข นะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขแต่ถ้าแปลโดยตามใจความก็ต้องแปลว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำมาซึ่งความสุขเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นเหตุแห่งเหตุให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขใช่ไหยประโยชน์สุขนะสุขทั้งหลายนะสุขทั้งโลกนี้สุขโลกหน้าแล้วก็สุขอย่างยิ่งอนะการฟังพระธรรมเทศนานำมาซึ่งความสุขคือเป็นมูลแห่งความสุขอนะอย่างที่อะไรนะ สัมมณีรูปหนึ่งอะเวลาเขาให้พรโยมเขาจะให้พรว่าขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากทุกเขาจะให้พรแค่เนี้เสร็จแล้วภาฤฤษาริบุตรก็บอกว่าสัมเณีบุคคลจะมีความสุขพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร น, นะนะสุขก็แบ่งอะ่ะสุขโลกนี้สุขโลกหน้ า, ส, นาสุขอย่างยิ่งใช่ไหมให้พ้นจากทุกทุกไหนบ้างทุกในวัฏฏะนะก็แปล ว, ว่าเอาแค่นี้มาตั้งปับ๊บเอาพระไตรปิฎกมาขยาย ก็เลยเทศได้ทั้งคืนเนี่ยนะเรียกว่าขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้มีความสุขนะนะขอให้พ้นจากทุกข์ไหนบ้างก็ไล่ไปใช่ไหมชาติทุกข์ชราทุกข์ทุกข์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เล่าไปถือเนี่ยนะทุกข์ของการมีขันห้าทุกข์ของการเกิดทุกข์ของการบริหารอะนะทุกอะไรทุกข์ของการบริหารขันห้าแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยก็ขยายไปเนี่ยนะจะรู้ว่าขอคําว่าขอให้ พ้นทุกข์กัขอให้มีความสุขนี่เป็นคําที่เรียกว่าพูดไม่จบไม่สิ้นอยงนั้นนะนะจริงๆพระไตรปิฎกทั้งหมดอ่ะคือคําพูดที่บอกว่าขอให้พ้นทุกข์ขอให้มีความสุขเนี่ยคือพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยรักษาศีลทําให้พ้นทุกข์ไหนทุกอบายใช่ไหยอบรมสมถะพ้นให้พ้นทุกข์ไหนทุกในกามภูมิถ้าเจริญนิพพสนาหรืออบรมปัญญาก็พ้นจากทุกในกวัตตนนั่นเองนั่นอันนี้หมายถึงว่า ถ้าทำมเทศนาเนี่ยเป็นเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขหรือเป็นมูลของความสุขเนี่ยนะส่วนสุขบางทีก็แปลว่าเหตุแห่งความสุขเช่นว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขคําว่าบุญนะเป็นชื่อของความสุขนะแต่ว่าแปลว่าบุญนี้เป็นเหตุแห่งความสุขนะนะแปลว่าเหตุแห่งความสุขหรือกรรมมาปัจจัยแห่งความสุขนั่นเองบางทีคําว่าสุขแปลว่าอารมณ์แห่งความสุขก็มีเช่นก็เพราะรูป ก็เพราะเหตุนั่นแลรูปจึงเป็นสุขอันสุขติดตามแล้วก้าวลงสู่ความสุขแล้วถามว่าสีเนี่ยสุขได้ไหมสุขยังไงสีแต่บอกว่าอารมณ์แห่งความสุขอ่ะใช่แต่ตัวสีไม่ได้สุขหรอกเพราะฉะนั้นสีเป็นสุขยังไงเนีเสียงเป็นสุขกลิ่นเป็นสุขหมายถึงว่าเป็นอารมณ์แห่งความสุขนะแต่พูดพูดผลใช่ไหมพูดอารมณ์แต่หมายถึงจิตที่หมายถึงเวทนาที่ไปรับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ บางทีคำว่าสุขแปลว่าไม่เพ่งเลงเหมือนคำว่าดูก่อนจุนทารูปสมาบัตินี่แลเป็นสุ ข, ขวิหารธรรมในปัจจุบันในวินัยของพระริยาเจ้าในเสสสเลขสูตรเนี่ยนะท่านคำว่าความสุขหมายถึงความไม่เพ่งเลงหรือว่าคำว่าสุขเนี่นะเป็นชื่อของพระนิพพานก็ได้เช่นนิพพานังปรมางสุ ข, ขังง น, นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่าความสุขในาในคหมายว่า ฐานะอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขเหมือนคำว่าแม้เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาโดยการบอกกล่าวจนถึงว่าสวรรค์นเนี่ยเป็นสุขก็ไม่ใช่ทาได้ง่ายนะอันนี้สูตรไหนคุณชูภาละบัณฑิตสูตรเนี่ยนะนึกประโยคคุณชูณณรุ้นเลยไนมะ่ออกเลยบางทีก็สุขนี่แปลว่าอารมณ์ก็เหมือนกันนะเหมือนคำว่าเป็นไปเพื่อสวรรค์มีสุขเป็นวิบากยังสวรรค์ให้เป็นไปพร้อมเนี่ยนะ ในที่นี้บอกมีในความหมายว่าปรารถนาอารมณ์อันเป็นเหตุแห่งความสุขคือตรงนี้เป็นเป็นการวินิจฉัยบทนั่นเองว่าบทนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกยังไงบ้างคําำมาสุขในพระไตรปิฎกนะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่แตกฉานพระไตรปิฎกเนี่ยเอาคําเดียวในพระไตรปิฎ ก, ก็ามา bye อธิบายปยาแสดงได้ยาวเลยว่า ง, งั้นก็กุฏินั้นยังความพอใจทั้งภายในและภายนอกให้ถึงพร้อมแล้วท่านจึงเรียกว่าสุขเพราะ อยู่อาศัยสบายอันหนึ่งท่านเรียกว่าสุขเพราะเป็นปัจจัยแห่งความสุขทางกายและก็สุขทางใจโดยประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ด้วยความสุขในอุตุกเพราะไม่หนาวเกินไปและก็ไม่ร้อนเกินไปนะกุฏินี้อยู่ดีแล้วไม่รอ้อนไม่เย็นร้อกว่า ง, งั้นและก็กุฏิเป็นที่ไม่มีลมใช่ไหมเพราะว่ามีกรอนลงหน้าต่างดีเนี่ยน ะ, ะเรียกว่าเป็นเสนาเป็นเสนาสนะที่ เขาพูดถึงเสนา ส, นาสนะที่มีลมจะไม่ได้ฤดูเป็นที่สบายในเสนาสนะที่อับลมจึงจะได้ฤดูคืออุตุเป็นที่สบายเนี่ยนะถ้าอาจารย์เคยสอนปิดหน้าตานะจะได้อุตุสบายกว่า น, นี้อีกหน่อยหนึ่งไปปิดเถอะจะได้อุตุสบายเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ไม่เป็นไรลมมันเข้ามา <c oughs> ถ้าอับลมแล้วมันจะสบาย <c oughs> นะนะปิดอันเดียวอนะันนะั้นอ่ะอันที่ลมเข้าอะ เนี่ยนะอ๋อไม่เป็นไรมันก็ไม่ไม่แรงนี่ต่อไปว่าเทวศัพท์เนี่ยนะเทวศัพ์เทวศัพท์ก็คือเทวดานะเทวดาก็มีหลายความหมายใช่ไหมก็คือสมมุติเทพอุปติเทพวิสุธิเทพเทวดอย่างเช่นในหลวงก็เรียกว่าเป็นสมมุติเทพเนี่ยนะอย่างเทวดาทั้งหลายทั่วไปก็เรียกว่า อุ บ, บัติเทพส่วนท่ารหันอรหันนี้ก็เป็นวิสุทธิเทพว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพเหนือเทพผู้เห็นเยยธรรมทั้งปวงเนี่ยนะบางทีเทวศัพท์เนี่ยนะหมายถึงอากาศก็มีเหมือนกับว่าอากาศที่แจ่มใสปราศจากเมฆหมอกอ่ะนะอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาจะรู้กันว่าโน่นแหละอยู่เมืองเทวดานี่ยนะก็แปลว่าอยู่ที่อะไรที่อากาศใช่ไหมบางทีก็มีความหมายแบบนั้นอนะ่ะ หรือว่าบางทีหมายถึงเมฆหรือหมอกก็ได้เหมือนคําว่าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเทวดาไม่ตกสักทีเลยอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงฝนงนั่นแหะบัดนี้พระเถระทั้งหมดที่กล่าวไปนี่เนะี่ยหมายถึงว่าไม่มีอันตรายในภายนอกนะนะที่ว่ากุติของเรากลมบางดีแล้วเนี่ยนะสะดวกสบายเพราะฉะนั้นจงตกลงมาเติร์ดฝนอย่างงี้ย น, นะภายนอกเนี่ยไม่เป็นไรรอกอย่างเงี้ย ที่เมื่อจะแสดงถึงไม่มีอันตรายในภายในว่าจิตตังเมสุสมาหิตังความว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่แล้วในอารม์ด้วยดีคือดียิ่งโดยชอบโดยเป็นเอกคตารมณอันถูกต้องทีเดียวนะจิตนี้เป็นเอกคตานะคำว่าเอกคตาเนี่ยมันเอกคตาแห่งจิตนะคือจิตไม่เกลื่อนกลนไม่วิ่นไม่กระจัดกระจาย ก็แลจิตนั้นไม่ได้ตั้งมั่นด้วยเหตุเพียงข่มนิวรณ์เป็นต้นไว้เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าข่มนิวรณ์ได้นะที่สงบเนี่ยโดยที่แท้จิตนั้นหลุดพ้นแล้วคือพ้นแล้วโดยพิเศษจากสังโยชน์ทั้งปวงนะนะคือถ้าเป็นจิตของปุถุชนทั่วๆไปใช่ไหมรับอารมณ์ไหนสังโยชน์ก็ผูกทุกอารมณ์นะเอานะลองลองคิดดูนะอารมณ์ไหนบัางไม่ถูกสังโยชน์เกาะไว้บ้างนะในสิสังโยชน์มีสิบนะ ตังกาส ก, กาญาติ ท, ท, ทิวิจิกิจชาศีลพัตตะปรามาตการมาราฆปฏิฆรูปปาราฆารูปปาราคะมานะอุทจาวิชาเนี่ยลองมนสิการอารมณ์ไหนบ้างที่สังโยชน์ไม่ผูกมากเนี่ยาหายากเต็มทีใช่ไหมปุถุชนนี่เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าของพระอรหันเนี่ยมนสิการอารมณ์ใดเนี่ยนะไม่มีสังโยชน์ผูกแม้แต่หน่อยเดียวเพราะ สังโยชน์ทั้งที่เป็นเบื้องต่ําหรือเบื้องสูงเนี่ยนะสังโยชน์เบื้องต่ําเพราะอะไรเพราะผูกไว้ในภพบเบื้องต่ำนะสังโยชน์เบื้องสูงก็ผูกไว้ในภพบเบื้องสูงเนี่ยนะนะเพรา ะ, ะท่านไม่มีสังโยชน์ทั้งสิทและก็ท่านไม่มีกิเลสทั้งปวงเพราะท่านละกิเลสได้ด้วยสา ม, มารถแห่งสมุทเฉทประหารเนี่ยนะนะสมุทเฉทประหารสมุทเฉทประหารนี้เป็นชื่อของอริยมรรคลองคิดดูนะว่าถ้ายังรับ สิ่งนั้นอยู่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอยู่ถึงจะแง่ไหนก็ตามก็ยังชื่อว่าเกาะเกี่ยวกับสิ่งนั้นใช่ไหมอ่นะถ้าสมมติถ้ายังพิจารณาขันห้าอยู่ก็ยังชื่อว่ายังเกาะเกี่ยวในขันห้าต่อเมื่อมีสิ่งที่พ้นจากขันห้าไปแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นจากขันห้าสมุติเชทปหาเนี่ยที่ละได้เด็ดขาดเนี่ยนะอริยมรละได้เด็ดขาดเนี่ยเนื่องจากไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์วิปัสสนาก็ละใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีขันห้าเป็นอารมณ์ มันก็เลยยังเรียกว่าไม่ได้ละเด็ดขาดอะไรแต่ว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยละละไม่มีอารมณ์คือขันห้าแม้แต่หน่อยเลยนะคือในขณะที่ท่านเข้าพร ะ, ะสมาบัติเนี่ยนะั น, นท่านละกิเลส ด, ด้วยอำนาจสมุเทเฉธาปหานกิเลสนั้นจะละได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยนะอาตาปีนี่มีความเพียนว่า ง, งั้นอธิบายว่า เราเป็นผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วเพื่อพร ะ, ะสมาบัติและเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมโดยเริ่มบำเพ็ญวิปัสนาแต่ไม่ใช่เพื่อจะละกิเลสเพราะไม่มีกิเลส ท, ที่จะต้องละท่านก็ยังเจริญวิปัสนาพนระธาตุแต่เจริญเพื่ออะไรเพื่อเข้าพร ะ, ะสมาบัตินี่ยอย่างหนึ่งเจริญเพื่อนิโรธสมาบัตินี่ยอย่างหนึ่งแล้วก็พระรธาตุเนี่ยบางทีก็เจริญวิปัสนาเพื่อสติสัมปชัญญะด้วยอีกยหนึ่ง เช่นคือคืออะไรอ่ะความเป็นผู้ชํานาญในเรื่องวิปัสสนาเนี่ยนะก็ก็มาทบทวนมาพิจารณามาอบรมมาเจริญอันนี้ไม่ได้แปลว่าอ่าแปละว่าทําเพื่อลักกิเลสใช่ไหมคืออย่างคนที่สวดได้สาธยายได้ชํานาญในเรื่องนั้นเนะี่ยว่างๆก็เอาสิ่งนั้นมาสาธยา ย, ยานะอันนี้พระสารบางทีก็เจริญวิปัสนาเพื่อสติสัมภิสัญญาแบบนั้น บางทีก็เจริญวิปัสนาเพื่อจะเข้าพราสมาบัติบางทีก็เจริญวิปัสนาเพื่อจะเข้านิโรสมาบัติเ น, นี่ยนะพระเถระเมื่อแสดงว่าดูก่อนฝนท่านอันข้าพเจ้าเชิญชวนให้ตกเพราะไม่มีอันตรายในภายนอกฉันใดแม้อันตรายในภายในก็ไม่มีฉันนั้นนะะ